คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นใครเป็นอะไรมาทําไมที่นี่และจะไปไหนต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็คือดวงวิญญาณ ดวงจิตวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้ชนิดต่างๆในช่วงที่เราหาความสุขกันบางเวลา เวลาที่เราไม่ฉลาดเราก็จะหาความสุขด้วยการกระทําบาปบางเวลาที่เราฉลาดเราก็จะหาโดยไม่ได้ทําบาปแล้วถ้าบางเวลาเราหามาได้มากกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นเราก็จะได้ทําบุญ นี่คือการอยู่การทำอะไรต่างๆของพวกเราผ่านทางร่างกายพวกเราเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดกว้างใหญ่กว้างยาวหนาหรือบางเหมือนน่างกายมีแต่ความรู้สึกนึกคิด ที่ใช้ร่างกายสั่งร่างกายผ่านทางความรู้สึกนึกคิดให้ไปหาสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรต่างๆ เราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาที่เรามีความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ได้ทำบาปแต่บางเวลาที่เราไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะไปหา โดยวิธีทำบาปการหาสิ่งต่างๆของเราบางเวลาเราก็หาได้น้อยบางเวลาเราก็หาได้มากช่วงที่เรามีมากเราก็เกิดความเมตตาขึ้นมาอยากให้คนอื่นเขามีบ้างเราก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น เราก็เลยได้ทำบุญนี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราทำบุญบ้างทำบาปบ้างบุญที่เราทำบาปที่เราทำก็คือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในในจิตในใจของพวกเรา เวลาเราทำบุญเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาเราทำบาปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาบุญและบาปที่เราทำนี้มันก็จะสะสมอยู่ในใจของพวกเราไปเรื่อยๆพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมา เป็นผู้นำพาจิตใจที่เป็นดวงวิญญาณของพวกเราไปเดินทางต่อขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเดินดวงวิญญาณของเราให้ไปสู่สุกติให้ไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาป มีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะเดินจิตใจของพวกเราให้ไปอยู่ในทุกขติคือไปอยู่ในอบายที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกและหลังจากที่เราได้ไปอยู่ในสวรรค์หรือในอบายแล้ว พอบุญหรือบาปที่พาให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายหมดกาลังเราก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใหม่เราก็จะได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็จะ มาเกิดใหม่แล้วเราก็จะมาทําอะไรตามที่เราเคยทําต่อไปนี่คือเรื่องของพวกเราทุกคนเรื่องของดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจของพวกเราที่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเวียนว่ายตายเกิดไปอำนาจของบุญของบาป ไปอำนาจของตันหากิเลสความโลภความอยากต่างๆที่พาให้เราต้องมาหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะสิ่งที่เราอยากได้คือลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงเกล็่นนดต่างๆเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพอได้มามากน้อย ก็ยังไม่อิ่มไม่พอต้องคอยหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆ เ, เราจึงต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อ ย, อยกลับมาเกิดแล้วก็มาทำบุญมาทำบาปกันแล้วก็เวลาตายไปเราก็ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปก่อนที่เราจะกลับมาเกิดใหม่ ถ้าบุญพาไปเราก็จะไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปพาไปเราก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอนสุรกายไปตกนรกนี่แหละคือเรื่องของเรื่องราวของพวกเราเป็นอย่างนี้แล้วเป็นมาเปอย่างยาวนานแล้วด้วย ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราหมุนเวียนไปเปลี่ยนไปเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี้เป็นมายาวนานเท่าไหร่ก็ให้เรานึกถึงน้ำตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันน้าตาที่เราหลัง่งเวลาเราเศร้าโศกเสียใจเวลาเราทุกข์ใจ ถ้าเราเอามารวมกันนั้นมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นคือประมาณของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและยังไม่จบยังจะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ผู้ที่รู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราวิธีที่จะทําให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีคนเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่สามารถค้นพบวิธีนี้ได้ด้วยตนเองบุคคลนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย เวลาที่เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดสารุก็คือทรงค้นพบทางค้นพบความจริงของดวงวิญญาณของพระองค์ว่าดวงวิญญาณของพระองค์นี้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มาเป็นเวลาอันยาวนานและถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏในตายพบก็ <c oughs> จำเป็นต้องพบทางที่จะพาให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถค้นพบทางนี้ได้ด้วยตนเองมีบุคคลคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าที่จะมีความรู้ความสามารถ ที่จะสามารถค้นหาทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าของพวกเราก็คือเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารที่ประสูติมาในสกุลของกษัตริย์แล้วก็มีบุญบา ร, รมีพิเศษเกิดมาก็ เดินได้เจ็ดเก้าออกจากท้องแม่ก็เดินได้เจ็ดเก้าความวิเศษของราชกุมารทำให้พระราชบิดาต้องไปปรึกษากับโหราจาร์ต่างๆอยากจะรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้ในอนาคตจะเป็นอะไรต่อไปโหรา บรรดาโหราจารย์ต่างๆก็ได้ทำนายไว้ว่ามีสองทางด้วยกันถ้าอยู่คลองราชก็จะเป็นพระมหัจกัรที่ยิ่งใหญ่ถ้าออกโบวชก็จะได้เป็นเจ้าชะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้พน้นได้ค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด พอพระราชาบิดาได้ทราบคําทํานายก็เลยพยายามหาวิธีหว่านล้อมจิตใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้อยู่เป็นกษัตริย์ไม่ให้ออกบวช ด, ด้วยการหาความสุขต่างๆมาห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ ของโลกนี้ทรงสร้างปราสาทสามฤดูให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายทรงมีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยเสิร์ฟคอยบริการให้ความสุขกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตลอดเวลาเพื่อให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีความยินดีมีความสุข ก, กับการอยู่เป็นกษัตริย์ แลาส่งห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังไม่ให้เจ้าชายเห็นสิทธะเห็นสัจ ธ, ธรรมของชีวิตเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อที่จะได้ไม่ให้เจ้าชายสิทธะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วอาจจะคิดออกบวชนั่นเองถึงไปต้องกันห้ามไม่ให้เรื่องของความทุกข์นี้เข้าไปในวังความทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายห้ามคนแก่ห้ามคนเจ็บห้ามคนตายเข้าไปในวังให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวคนรูปร่างหน้าตาสวยงาม คนพิการคนแขน็งกรดาคนตาบอดหูหนวกนี่ห้ามเข้าไปในวงนังเพราะจะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความไม่สบายใจและอาจจะคิดหาทางออกจากความไม่สบายใจนี่ด้วยการออกบวชก็ได้นะเพราะอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะมีอยู่สองทางอยู่เป็นกษัตริย์หรือออกบวช เวลาชบิดาเลยไม่ต้องการให้ออกบวชก็ต้องพยายามปิดก้นทางออกบวชคนที่จะออกบวชก็คนที่เห็นความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เองแต่วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัต ถ, ถกาก็อยากจะออกไปเที่ยวนอกวังเพราะไม่เคยออกไปดูข้างนอกวังว่าเป็นอะไรมีอะไร พราะพระราชาไม่อยากไม่ต้องการให้ออกไปเห็นสภาพของความทุกข์ของคนยากจนของคนแก่ของคนเจ็บของคนชราของคนตายแต่เจ้าชายก็อยากจะรู้ถึงแม้จะถูกห้ามก็นักรอบออกไปกับผู้ติดตามออออกไปเดินชมอยู่สักระยะหนึ่งก็ไปเห็นคนแก่ ก็ถามผู้ติดตามว่าคนนี้เป็นอะไรเดินทำไมเดินหลังค่อมเดินแบบเหมือนคนไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงผู้ติดตามก็บอกว่าเป็นคนเป็นคนแก่เป็นธรรมดาเป็นปกติของร่างกายทุกคนเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าร่างกายก็จะต้องแก่จะต้องเป็นคนแก่จะเป็นคนที่ไม่มีเรี้ยวไม่มีแรง จะทอะไรก็ทำไม่ไหวแม้แต่ร่างกายของเจ้าชายเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือความรู้ที่เจ้าชายสิทธิยถะได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าแม้แต่ร่างกายของตนเองซึ่งตอนนี้กำลังมีกำลังวังชาสามารถทำอะไรได้อย่างเต็มที่ ต่อไปก็จะไม่สามารถทำได้เพราะจะต้องกลายเป็นคนแก่ไปก็เลยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าร่างกายของตนจะต้องเป็นคนแก่ในอนาคตหลังจากนั้นก็เดินต่อไปเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นคนคนเจ็บนอนอยู่ที่หน้าบ้านนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านร้องโอดคนคาง ก็ถามผู้ติดตามว่าชายคนนี้เป็นอะไร mm hmm. เขาก็บอกว่าคนนี้เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่สบาย mm hmm. เวลาเป็นโรคมันก็เกิดอาการเจ็บปวดรวดวล้าตามร่างกายถึงทำให้ต้องโอดล้องควรค้างออกมา mm hmm. แม้แต่ร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไป mm hmm. พอได้ทราบว่าต่อไปตัวเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ ก็ยิ่งเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นคนแบกศพเพื่อนำเอาไปเผาเอาไปทำชาปนกิจก็ถามว่าเขาทำอะไรกันกับชายคนนั้นชายคนนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนเราเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีลมหายใจแล้วร่างกายเขาหยุดทำงาน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ร่างกายก็จะเน่าเฟะส่งกลิ่นเหมน็นก็เลยต้องนำเอาไปเผาไปจับไปกาจัดร่างกายของพระองค์ก็เป็นเช่นเดียวกันต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอได้ยินได้ฟังถึงความตายของตนเองที่จะตามมาก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่สบายใจก็เลยคิดเดินกับหวัง ไม่อยากจะเที่ยวต่อไปช่วงขากลับก็เห็นนักบวชก็ถามว่าชายคนนี้เขาทําอะไรเขาถึงแต่งตัวไม่เหมือนคนทั่วไปก็บอกว่าเขาเป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่แสวงหาวิธีที่จะทําให้เขาไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรือถ้าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ ทำให้เขาไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายพอได้ยินอย่างนั้นก็ทรงมีกำลังใจขึ้นมาว่าถึงแม้ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ต้องออกบวชต้องไปอยู่กับอยู่แบบนัก บ, บวชถึงจะสามารถเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติเพื่อไม่ให้ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าชายสิทธัตถะในช่วงก่อนที่จะออกบุนเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็คิดว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความสุขเพราะทุกวันก็มีแต่ความสุข ว่ามีแต่สิ่งที่ให้ความสุขห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับจิตใจแต่พอวันหนึ่งได้ลักลอบออกจา ก, กวังไปเที่ยวนอกวังไปเห็นศัสตรธรรมความจริงของชีวิตเห็นว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ความสุขที่เคยหาได้จากสิ่งต่างๆในวังก็อันตรธานหายไปหมดมีแต่ความไม่สบายใจทุกครั้งที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็โชคดีที่ได้พบกับนักบวชเห็นนักบวชและรู้ว่ามีวิธีที่จะทำให้สามารถทำให้ใจนี้ไม่ต้องมาทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป อ, อีกก็เลยทำให้มีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ในวังต่อไปก็จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายอย่างแน่นอนถึงแม้จะเป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นเป็นมหาจักรพรรดิที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดี ไม่เปลี่ยนความจริงอันนี้เอแล้วเมื่อเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่รู้จักวิธีทําใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอนอย่างไรจึงเลยตัดสินใจต้องออกบวชก็รอโอกาสรอจังหวะว่าเวลาไหนาควรจะไปในที่สุดก็ได้เวลา เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดราชโอรสออกมาพอได้ข่าวว่ามีลูกก็ลงทรงอุทานคำว่าราหุนราหุนนี่แปลว่าบ่วงคือบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วต่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบ่วงที่จะรัดใจไม่ให้ออกบวช น, นั่นเอง เพราะว่าเมื่อมีลูกแล้วก็จะมีความรักมีความผูกพันกับลูกก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะไปบวชก็ต้องไปในคืนนั้นและไม่ไปดูลูกไม่ไปดูหน้าลูกด้วยเพราะถ้าไปเห็นแล้วเดี๋ยวใจไม่แข็งพอก็จะตัดสินใจออกบวชไม่ได้ก่คนที่มารายงาน ได้ยินท่านพูดคำว่าราหุนก็คิดว่าทรงประทานชื่อให้กับลูกก็เลยไปบอกมาเหสีว่าเจ้าชายสิทธัตถะตั้งชื่อลูกว่าราหุนลูกก็เลยเป็นชื่อพระราหุนมาตั้งแต่บัด น, นั้นแล้วในคืนนั้นท่านก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวังไปเพราะถ้าประกาศไปบอกให้คนอื่นรู้ก็จะถูกข้ามไม่ให้ไปอย่างแน่นอน ก็ได้ต้องหนีไปในยามดึกในช่วงที่ทุกคนนอนหลับไม่รู้ว่าพระองค์นั้นได้หนีออกจากวังไปแล้วก็มุ่งไปศึกษากับพวกนักบวชทั้งหลายก็ได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แบบช่วคราวคือแบบของสมาธิ ไปฝึกนั่งสมาธิควบคุมความคิดหยุดความคิดตา่างๆพอใจหยุดคิดใจก็นิ่งสงบแล้วก็ดื่มเรื่องของร่างกายไปไม่ได้คิดถึงเรื่องของร่างกายเพราะตอนนั้นร่างกายขาดจากความรับรู้ของใจเวลานั่งสมาธินี้จะดึงใจให้ถอยออกจากการรับรู้เรื่องของร่างกาย เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายพอจิตสงบจิตก็มีความสุขขึ้นมาตอนนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดรอนเพราะช่วงนั้นจิตไม่ต้องมารับรู้เรื่องของร่างกายแต่อยู่ได้ไม่นานในสมาธิก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาก็จงมาเจอเรื่องของร่างกายใหม่ ก็ต้องเจอเรื่องของความแก่ความเจ็บของความตายพ อ, อเพียงแต่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทาั้งๆที่ร่างกายยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาซึ่งไปศึกษากับบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆว่าทําไมเวลาออกจากสมาธิมาแล้วถึงใจถึงยังไม่สบาย กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ทำไมเวลาอยู่ในสมาธิไม่มีความรู้สึกไม่สบายไปกับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิ เมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องไปสดค้นหาด้วยตนเองนี่แหละคือความสามารถพิเศษของอเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือค้นหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิหลังจากพิสูจน์ทดลอง อยู่ระยะหนึ่งก็ทรงค้นพบปัจสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็นั่นก็คือความอยากของใจที่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะใจมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมีความสุขอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาม อยากมีแต่ความสุขอยากไม่มีความทุกข์ก็เลยได้ข้อสรุปว่าเวลาที่เข้าไปในสมาธิความอยากเหล่านี้มันไม่ได้ทำงานความทุกข์เลยไม่เกิดขึ้นแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันที อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายอยากมีอยากเป็นก็ต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายเมื่อต้องใช้ร่างกายก็เกิดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ใจก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้อย่าไปอยากหาความสุขจาก ตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพออยากยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อพระองค์ได้ทรงค้นพบด้วยปัญญาว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก ก็เลยหยุดความอยากเหล่านี้หยุดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเนื้นกายหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยให้มันดับไปร่างกายจะแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ร่างกายจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บร่างกายจะตายก็ปล่อยให้มันตายพอไปได้แล้ว ใจก็ไม่ทุกข์ความเจ็บของร่างกายแม้จะมีก็ไม่มาทําให้เกิดความเจ็บทางใจสําหรับใจที่ปล่อยร่างกายได้ความตายก็ไม่มาทําให้ใจเกิดความเจ็บขึ้นมานี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็รู้วิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากรูปเสียงกลิดนด่นน็ตจากราบยศสารเสริญแล้วก็ไม่มีจําไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่ม เมื่อไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากที่จะไปเกิดการที่จะไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็ไม่มีอีกต่อไปใจที่ไม่มีความอยากนี้ก็จะเป็นใจที่นิ่งที่เฉยที่แม้แต่บุญหรือบาป ก, ก็ไม่มีกำลังที่จะมาฉุดลากให้ไปรับผลบุญผลบาปได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของ การตรัสลูของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้านี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องไปหลังจากที่ร่างกายของพระองค์ตายไปแล้วดวงจิตดวงใจของท่านก็ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้เคยทำเอาไว้เพราะในใจไม่มีความอยาก ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนจิตใจให้ไปในทิศทางใดในทิศทางหนึ่งอีกต่อไปไม่ไปทางบุญไม่ไปทางบาปอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างเรียกว่านิพพานไม่ต้องมาเกิดเด็กต่อไปเพราะเครื่องจักรที่คอยผลักดันให้ดวงจิตดวงวิญญาณนั้น ไปเวียนว่าตายเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี้เองคือการมักตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ภาะวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความอยากมีความสุขกับรูปประจานวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากอยู่กับความว่างอยู่กับพา ร, รูปประจานนี่ น, นี้คือความอยากที่พาให้ดวงวิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในกามาพถ้ามีกามตัณหาถ้ามีภาวะตัณหาก็ไปเกิดในรูปภพถ้ามีวิภวะตัณหาก็ไปเกิดในอรูปภพนะแต่ถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ด้วยปัญญาคือด้วยการเห็นว่า ความอยากนี้เป็นเหมือนตัวผลักดันให้จิตต้องไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าหยุดความอยากก็เหมือนกับรถยนต์ถ้าดับเครื่องได้รถยนต์ก็วิ่งไม่ได้ถ้าติดเครื่องปล่อยให้มีเครื่องทำงานอยู่เครื่องจักรก็จะพาให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนได้พอหยุดหยุดรถยนต์หยุดดับเครื่องได้ปั๊บรถก็ต้องจอดฉันใดพอหยุดความอยากได้ ดวงวิญญาณก็หยุดเคลื่อนไหวหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการตัดสุ้ของขนของนักปราชญ์ของคนที่วิเศษซึ่งมีนานๆานจะมีมาปรากฏครั้งหนึ่งในโลกนี้สักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนี้ จะมีแต่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาได้เพียงคนเดียวด้านานานๆถึงจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งระยะเวลาที่ในช่วงของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ห่างกันเป็นหลายล้านหลายแสนล้านปีด้วยกันถึงจะมีคนฉลาดที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาของตนเองปัญหาของความทุกข์ของตนเอง และคิดค้นหาวิธีกำจัดความทุกข์ของตนเองจนในที่สุดก็ค้นพบวิธีว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณนี้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วพอมีร่างกายก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอได้ส่งค้นพบและสามารถ ทำให้พระทยหรือคือจิตของพระองค์นี้สิ้นสุดจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วพระองค์ก็เลยมีความเมตตาที่จะเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปพอได้ทรงสแสดงความจริงเหล่านี้ให้กับผู้ที่สนใจพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เขาก็สามารถทำให้จิตใจของเขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอาหารหันตัสสาวกขึ้นมาแล้วก็มาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งพระพุทธศาสนาก็เลยเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาจากการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรก พอทรงตัดสตรู้แล้วก็ทรงนําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพอมีการเผยแผ่ธรรมแสดงธรรมก็มีผู้ศึกษานำเอาไปปฏิบัติพอศึกษาปฏิบัติแล้วก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาเกิด ภาวะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอหลุดพ้นแล้วก็เอาความรู้ที่ตนเองได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งพระพุทธศาสนาก็เลยปรากฏอยู่บนโลกนี้ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะยังมีผู้ที่ สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําเอาคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่คือความสุขของพระนิพพานดิบมานังปะลมังสุขขังก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป เมื่อไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกเพราะมีความสุขอยู่ภายในก็มีเวลาที่จะมาเอาความสุขเอาความรู้นี้มาสอนผู้อเนกทอดหนึ่ง mm hmm. พวกเราก็ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจากการศึกษาจากการปฏิบัติของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระอาหารหันตาสาวก พวกเราก็จะไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างในวันนี้พวกเราก็จะไม่รู้เรื่องของเราและและแลวคิดว่าทุกคนก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันทุกคนเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเราไปไหนอกต่อไปเราหายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไปรับผลบุญผลบาปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ถึงแม้เราจะได้ยินได้ฟังว่าตายไปแล้วเราจะต้องไปนรกไปสวรรค์เราก็ไม่รู้มันเป็นเพียงแต่สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเท่านั้น เ, เราจะรู้ได้เราก็ต้องปฏิบัติเพราะวิธีมีวิธีที่จะทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นใครกันแนะ่เราเป็นร่างกายหรือเราเป็นดวงจิตดวงใจเป็นดวงวิญญาณแล้วหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว เราจะไปไหนต่อมีวิธีที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์รู้เห็นได้ด้วยตนเองนแต่ต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์คนอื่นพิสูจน์ให้เราไม่ได้เพระพุทธเจ้าสอนเราได้แต่พิสูจน์ให้เราไม่ได้พระสาวกสอนเราได้แต่ พิสูจน์ให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้พิสูจน์เองและวิธีที่จะพิสูจน์ก็ต้องใช้เครื่องมือที่จะให้เราได้พิสูจน์เห็นความจริงเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเห็นความจริงเกี่ยวกับดวงจิตดวงใจของพวกเราดวงวิญญาณของพวกเรา นี่ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองเนี่ยนี่แหละเป็นเครื่องมือที่พวกเราจะต้องใช้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นดวงวิญญาณเนี่ยร่างกายตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อเราจะอยู่หรือเราจะหายไปหรือเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้เราจะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเรา ปิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องอยู่ในระดับของศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้ยังไม่เพียงพอแต่ก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาศีลก่อนก่อนที่จะไปรักษาศีลแปได้ก็ต้องมารักษาศีลห้าให้ได้ก่อนตอนนี้เรารักษาศีลห้าได้หรื อ, อยังถ้าเราอยากจะพิสูจน์ความจริง ของเราว่าเราเป็นใครเราจะไปไหนต่อไปเราต้องเริ่มรักษาศีลกันถ้ายัางไม่มีศีลห้าก็พยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนเมื่อรักษาศีลห้าได้ทุกวันแล้วขั้นต่อไปก็เริ่มมาหัดรักษาศีลแปดเบื้องต้นก็หัดรักษาอาทิตย์ละครั้งก่อนวันหยุดทำงานหรือวันพระเนี่ย สมัยก่อนวันพระเป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่เหมาะต่อการหัดรักษาศีลแปดเพราะการรักษาศีลแปดนี้จะทำให้เราต้องหยุดกิจกรรมอะไรต่างๆไปถ้าเรายังไปทำงานเรายังไปาหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่เราก็จะรักษาศีลแปดได้ยากแต่พอวันหยุดทำงานนี้เราอาจจะ เปลี่ยนวิธีหยุดการหาความสุขสักหนึ่งวันหาหยุดทานหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปถือศีลแปดไปอยู่วัดเนี่ยไปละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนจากกามเมมาเป็นอบ ร, รมจาริยากามเมก็คือการไม่ประพฤติผิดประเวณี ก็ออยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้อยู่ห้ามไม่ให้เป็นร่วมหลับนอนกับคนอื่นแต่พอมาถือศีลแปดข้าวข้อสามนี้ก็ต้องยุติการร่วมหลับนอนกันถึงแม้จะเป็นคู่ครองกันก็ของดชั่วข่าวขอเอาเวลาที่ร่วมหลับนอนกันไปหาความสงบแทนไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบแทน พต้องการที่จะละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะคือกามตัณหาเื้องต้นเราต้องใช้ศีลเป็นตัวบังคับตัวห้ามถ้าเราไม่ถือศีลแปลดเราก็ยังหาความสุขจากความอยากกามตัณหาได้เรายังมีความอยากดูหนังฟังเพลงอยากกินอาหารอยากดื่มเครื่องดื่มตามความอยากของเรา ซึ่งถ้าเรายังปล่อยให้เราทำแบบนี้อยู่เราก็ยังจะต้องติดอยู่ในการเวียนว่าตายเกิดอยู่เราจึงต้องมาหัดถือศีลแปดเพื่อห้ามจิตห้ามใจไม่ให้ไปเสพกามาตหาห้ามกามาตัาหาไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆศีลก่อสามนี้คอยร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องหยุดเลิกหลับนอนกับใครนอนคนเดียว แล้วก็มาหยุดการหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารตามความอยากอนุญาตให้ดื่มให้ดื่มให้รับประทานได้ตามความจำเป็นซึ่งถ้าดื่มเพื่อเลี้ยงร่างกายรับประทานเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้วันละมือ้อสองมื้อก็พอไม่ต้องรับประทานมากหลังจากเที่ยงวันก็กกงดไม่ให้รับประทานอีกต่อไป พ่ารับประทานเพียงตอนมื้อเช้ามื้อกลางวันนี้ก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายนี่แล้วสําหรับผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติแล้วต่อไปก็อาจจะอยากจะรับประทานเพียงมื้อเดียวก็ได้เพราะมันสะดวกง่ายดายกว่ารับประทานสองมือ้อแล้วจะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้มากขึ้นนแต่เบื้องต้นถ้ายังรับประทานมื้อเดียวไม่ได้ก็เอาสองมื้อก่อนแต่ไม่ให้ก่อนเที่ยงวันไป ไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคในการที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบหาความสุขจากการฝึกสมาธิเนี่ยก่อนที่เราจะไปฝึกสมาธิได้เราต้องจึงต้องมีศีลแปดขึ้นไปก่อนศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองยีสิบก็ได้ แต่ศีลเหล่านี้ข้อห้ามที่สาคัญก็เหมือนกันก็คือข้อห้ามในศีลแปดั้งนั้นส่วนข้อห้ามอย่างอื่นนี้เป็นข้อห้ามที่เกี่ยวกับการกระทำให้สวยงามมากกว่าการกระทำไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมเป็นกฎเป็นระเบียบนะที่พระอยู่ร่วมกันนี้พอพระรูปหนึ่งรูปใดไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวม พระพุทธเจ้าก็ต้องมาห้ามแต่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับศีลโดยตรงศีลโดยตรงที่ที่เราต้องมีเพื่อที่จะมาหยุดความอยากต่างๆนี้ก็คือศีลแปดขึ้นไปนะศีลแปดนี้ก็พออย่าไปหาความสุขอยาการรับประทานอาหารเครื่องเดิมแล้วก็ยุดงดการหาความสุขอยากการดูการฟังมหอระศบบันเทิงต่างๆ ดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะนี่เป็นการส่งเสริมกามาตัาหาตัวที่จะถักดันให้จิตใจต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเองเราต้องการหยุดกามตัาหาเราเลยต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายไป ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มมากจนเกินตามความอยากแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายไม่ต้องแต่งหน้าทาปากทําเผาทําผมใช้น้ํามันใช้น้ําหอมอะไรต่างๆเป็นความสุขทางก า, ารอาลมที่เราต้องการจะหลังลับแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีนั่นไม่นอนมากก็อย่าไปนอนบนเตียงที่มันสบายฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นแข็งๆเพราะเวลานอนบนพื้นแข็งๆมันจะไม่อยากจะนอนร่นางกายพอได้พักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายจะได้ลุกขึ้นมาหาความสุขจากการทำสมาธิทำใจให้สงบแทน นี้คือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายไ ม, ไ, ไม่ให้ไปสนับสนุนกามะทันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะเป้าหมายของการปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้เองเห็นต้องหยุดด้วยศีลก่อนข้อแรกขั้นแรกหยุดด้วยศีล เพื่อที่เราจะได้มีเอาเวลาที่เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาสร้างความสงบให้กับใจมาแยากใจออกจากร่างกายเวลาเรานั่งสมาธินี้เราจะดึงใจให้ออกจากร่างกายเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจปล่อยวางร่างกายชั่วข่าว พอเราสามารถดึงใจแยกออกจากร่างกายได้เราก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเราผู้มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้ที่แยกออกจากร่างกายด้วยการใช้สติดึงใจให้หยุดคิด พอห้ามใจไม่ให้คิดใจก็จะลืมถึงเรื่องร่างกายไปลืมเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสลืมเรื่องตาหูจมูกนิ้นกายลืมเรื่องต่างๆไปใจก็จะว่างเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลําพังเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือใจผู้รู้ผู้คิดแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วเพราะหยุดเพราะหยุดด้วยอํานาจของสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือการดูลมหายใจเข้าออกจะเป็นตัวที่จะทําให้ความคิดต่างๆหยุดคิดพอหยุดคิดใจก็จะนิ่งสงบเหลือแต่ความรู้เหลือแต่ผู้รู้แล้วก็จะแยกออกจากร่างกายตอนนั้นในความรู้สึกของผู้รู้มากร่างกายนี้จะหายไปเพราะไม่ได้อยู่ติดกันแล้วชั่วข่าว อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันแต่จะเห็นแบบชั่วคราววพาเราอยู่ในสมาธิได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกมาเพราะเราต้องมาดูแลร่างกายต่อไปร่างกายหิวน้ำร่างกายต้องเข้าห้องน้ำร่างกายต้องอทำความสะอาดต้องทำอะไรต้องยืดเส้นยืดสายอะไรต่างๆ อยเข้าไปอยู่ในสมาธิตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องออกมากลับมาอยู่กับร่างกายพอกลับมาอยู่กับร่างกายก็ลืมไปว่าตนเองกับร่างกายเป็นคนละคนก็มาคิดว่าเป็นร่างกายจึงต้องมาคอยสอนใจเวลาออกมาจากร่างกายแล้วก็ต้องคอยสอนใจว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นอาการ32สอง ทามาจากดินน้ำลมไฟร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจผู้รู้ผู้คิดที่มาอยู่กับร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกะใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับความเป็นไปของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เป็นร่างกาย แล้วใจก็ไปห้ามร่างกายไม่ให้เป็นอะไรไปไม่ได้ร่างกายจะแก่ก็ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได it ้ร่างกายจะเจ็บก็ห้ามไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ร่างกายจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วมันจะทําให้ใจเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาถ้าใจไม่อยากใจปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน นี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายในเบื้องต้นเราก็ต้องแยกใจออกจากร่างกายด้วยวิธีของสมาธิด้วยวิธีของสติใช้พุทโธพุทโธคอยควบคุมคอยหยุดความคิดแล้วก็เวลานั่งก็ดูลมหายใจหรือท่องพุทโธไป พอความคิดหยุดใจก็จะนิ่งสงบใจก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อ น, น, นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรถ้านั่งสมาธิพอเข้าสมาธิปั๊บนี้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายไปหมดถึงแม้ร่างกายยังไม่หายแต่ความทุกข์ภายในใจหายไปหมดเพราะใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราว ใจไม่มีความอยากให้ร่างกายหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการทุกข์ทรมานใจเลยไม่มีในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิแต่พอออกมาจากสมาธิพอกลับมาพบกับความเจ็บป่วยของร่างกาย mm. ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาได้ถ้าไม่ควบคุมใจ ถ้าไม่สอนใจให้ปล่อยวางต้องสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับเขาได้เราเพียงแต่รับรู้เฉยๆสัตว์ตาว่ารู้ไปรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บก็เจ็บไปถึงเวลากินยาก็กินไปถ้ายังไม่หายก็ก็อยู่กับมันไป ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายจะไม่เกิดความทุกข์ทรมานใจนี่คือวิธีที่จะแยกกายออกจากแยกใจออกจากร่างกายในขณะที่ออกจากสมาธิมาต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันส่วนของร่างกายนี้ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้มันมีมันมีวัฏจักรของมันมันมี เส้นทางเดินของมันเส้นทางเดินของร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายแต่ใจถ้ามีปัญญาคอยสอนก็จะไม่ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะจะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสาเหตุที่ใจของพวกเรายังทุกข์กับร่างกายอยู่ก็เพราะว่าเรายังอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายนั่นเอง พอเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันจะตายขึ้นมาเราก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่พอเรารู้จักวิธีแยกด้วยปัญญาแล้วพอเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วทีนี้เราสบายใจเราจะสบายใจเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายกับความแก่ความเจ็บของร่างกาย เราแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งมันเราก็ดูแลมันไปตามอัตภาพถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาจะเท่ต้องรักษาร่างกายก็รักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกาย พอใจรู้ว่าถ้าไปอาศัยร่างกายแล้วจะต้องทุกข์เพราะจะเกิดความอยากให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายไม่แก่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่ตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะความเป็นจริงของร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายนั่นเองอ น, นี่คือวิธีที่จะทำให้เหล่านี้เลิกใช้ร่างกายเลิกพึ่งร่างกายได้ด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิ ด้วยการถือศีลแปดหยุดหยุดการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราหาความสุขจากความสงบแทนคือทำใจให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายพอปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราก็ไม่ต้องทุกกับร่างกายอีกต่อไปแต่เรายังไปติดอยู่กับความสุขที่ได้จากสมาธิเราก็ต้องไปปล่อยตัวความสุขที่ได้จากสมาธิเป็นขั้นต่อไป เพราะถ้าเรายังติดกับความสุขจากสมาธิอยู่เราก็ยังจะติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพอยู่ถ้าเราไม่อยากจะติดอยู่ในไตรภพเราออกจากกา ร, รมภพได้แล้วแต่เราไปติดอยู่ที่รูปภพเพราะถ้าเรายังติดอยู่กับสมาธิเวลาที่เราผ่านขั้นร่างกายไปได้แล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วเราก็ต้องมาปล่อยวางขั้นสมาธิต่อไป ต่อไปเราก็ต้องไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากการเข้าสมาธิเราอาศัยความสุขจากการอยู่เฉยๆด้วยการคอยห้ามความอยากอย่าไม่ให้ไปอยากหาความสุขทางร่างกายไม่ให้ไปหาความสุขจากทางสมาธิให้อยู่แบบไม่ต้องมีความอยากพอกำจัดความอยากได้หมดแล้วต่อไปใจก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็มีความสุขได้แล้วก็จะทำให้ใจไม่มีตัวความอยากที่จะมาฉุดลากให้ใจของเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป้าหมายก็เพื่อยุดหยุดความอยากทั้งสามที่มีในใจที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบกัน หยุดการมาตัณหาเพื่อหยุดการมาเกิดในกามาพบหยุดภาวะตัณหาคือความอยากหาความสุขจากรูปฌปานเพื่อที่จะหยุดการกลับมาเกิดในรูปรพบแล้วก็หยุดวิภาวะตัณหาความอยากที่จะหาความสุขจากูปรรูปฌปานพอเราละความอยากทั้งสามนี้ได้ตัดความอยากทั้งสามนี้ได้ จิตก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปเกิดในตายโภอพกต่อไปไม่มีอะไรมาฉุดให้กลับมาเกิดมามีร่างกายมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดการท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตที่พวกเราได้กระทำกันมาเป็นเวลาอันยาวนานก็จะสิ้นสุดลงด้วยความอนุเคราะห์จากพระพุทธเจ้าด้วยความโชคดีของพวกเรา ที่ได้มาเกิดได้มาพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราชาตินี้มาเกิดไม่ได้มาเจอคำสั่งคำสอนกเราก็อย่าดำเนินวิถีชีวิตตามแบบที่เราเคยดำเนินต่อไปเราก็อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หรือไม่เช่นั้นถ้าเราเป็นนักบวชเราก็จะไปหาความสุขจากการเข้าฌานเข้าสมาธิกันความสุขเหล่านี้ก็ยังเป็นความสุขที่ทําให้เรายังต้องติดอยู่ในตายพบอยู่ติดในกามาพบหรือรูปพบหรืออรูปพบอยู่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยแต่ถ้าเรา โชคดีได้มาเจอกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในคําสอนและเห็นคุณประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนพอเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังไม่นานเราก็สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราได้เพราะเรา จะมีเครื่องมือคือมีศีลสมาธิปัญญาที่จะมาลักความอยากทั้งสามคือกามาตันหาภวะตันหาละวิภาวะตันหาให้หมดไปจากใจของพวกเราได้พอหมดแล้วใจของเราก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพานันธิพานขึ้นมาเป็นบรมมาสุขขึ้นมา ไม่ต้องมาหาความสุขในตายพบอีกต่อไปเพราะในใจมีความสุขที่เลิศ ก, กว่าดีกว่าอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ถูกความอยากมันมันปิดบังเอาไว้เท่านั้นเองพอกาจัดความอยากทั้งสามออกไปได้หมดความสุขอันประเสริฐก็จะโผล่ขึ้นมาในจิตในใจทันทีทำให้จิตใจไม่ต้องไปหาความสุขในตายพบอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดในตายพบก็ไม่ต้องไปหลั่งน้าตา จนมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือเรื่องราวของพวกเราที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายและเรามีหน้าที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจา ก, ากลาบยศสรรเสริญแต่เราไม่ไปคิดถึงเวลาที่ ร่างกายมันไม่สามารถหาความสุขทำตามสิ่งที่เราต้องการได้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องซึมเศร้าหรือไม่ฉะนั้นเราก็อาจจะฆ่าตัวตายกันไปเพราะเมื่อเราอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่ไปทำไมแต่การแก้ปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้ยุติเพราะไม่ได้ไปกำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจ ตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำแบบที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ไปไม่รู้ ก, ก, รกี่ศีกี่แสนล้านรอบด้วยกันถ้าเราไม่มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตามคำสอนคือมหัดรักษาศีลมหัดฝึกสมานั่งสมาธิแล้วมาหัดพิจารณาทางปัญญากันถ้าเราทำได้เราก็จะยุติ วัตจักรของการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องราวของเราที่เอามาฝากท่านไว้ในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาผาูราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตจินางเปตานังอุปกาปฏิ อิจิตางปะทิตางตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตต มาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมาวาทานติอายุวะโนสุขังภาลา ช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามคําถามใครมีคําถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทําอะไรอย่างอื่นอีกถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ facebook 4่ร้อยสามสิบเก้า สาม้อยสิบห้าวิทยอออนไลน์สิบผู้รับฟังบนเขาร้อยเก้าสิบสามรวมทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพระจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามต่อไปจากทางเฟ e บุ๊ k นะคะจากคุณเพชน้ำหนึ่งขออกาสครับ ถ้าจิตไม่ปรุงแต่งควรที่จะบริการมพุโทโธตลอดหรือเปล่าและควรที่จะกำหนดรู้อะไรต่อไปครับสาธุครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรานั่งสมาธิถ้าเร า, เาใช้พุโทโธพุโทโธล้วจิตไม่ปรุงแต่งแต่จิตยังไม่รวมเราก็พุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะรวมนะแต่ถ้าเรา เดินจงกลมหรือทำอะไรแล้วเราพุโทโธไปถ้ามันหยุดคิดเราไม่หยุดพุดโทโธก็ได้ให้สักแต่ว่ารู้ไปแต่มันจะไม่รวมแต่เราใช้พุโทโธเพื่อคอยสกัดความคิดมาให้จิตฟุง้งซ่านแต่เวลานั่งสมาธิถ้าเราต้องการให้จิตรวมนี่เราต้องถ้าพุโทโธก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะ คำถามจากคุณแป้งค่ะกับเดินถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมีคนรู้จักเขามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเวลานอนมันหยุดความคิดไม่ได้คือคิดอยู่ตลอดเวลาจะทําอย่างไรให้หยุดคิดได้เจ้าค่ะก็ต้องฝึกสติไม่ใช่มาฝึกตอนที่มีเกิดปัญหาแล้วมันไม่ทันต้องฝึกก่อนคือพยายามฝึกทั้งวันเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันคิดเราก็ ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปสู้กับความคิดนแล้วต่อไปความคิดมันก็จะเบาแรงลงอ่อนลงแล้วพอถึงเวลานอนเวลานอนไม่หลับเราก็พุทโธพุทโธไปแต่เราก็ต้องอย่าไปอยากให้มันหลับเพราะยิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่เพียงแต่ท่องพุทโธไปแล้วก็คิดว่าหลับก็ดีไม่หลับกูก็พุทโธของกูไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หลับเองแต่อย่าไปอยากให้มันหลับ ถ้าอยากแล้วมันยิ่งไม่ดับใหญ่แต่ต้องท่องพุทธโธแล้วก็คิดในใจว่าคิดพุทธโธไปเรื่อยๆลับก็หลับไม่หลับก็พุทธโธไปถ้าอย่างนี้เดี๋ยวมันหลับเพราะมันไม่มีความอยากให้มันหลับที่มาเป็นอุปสรรคทำให้นอนไม่หลับคำถามจากคุณพีทักษค่ะขอโอกาสครับกับเรียนถาม ขอคำชี้แนะจากท่านพระอาจารย์หากเราจะใช้วิธีการใช้ปัญญาในการอบรมสมาธิเราควรยกเรื่องใดขึ้นมาเพื่อพิจารณาสำหรับขั้นเริ่มแรกได้บ้างครับออปัญญาอบรมสมาธิต้องมีเรื่องก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้เช่นมีเรื่องกับแฟนไปนั่งสมาธิใจไม่สงบนี่ออก็ต้องพิจารณาแฟนเป็นไตลัก ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาอันนี้จังเขาไม่แน่นอนบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีถ้าไปอยากให้เขาดีมันก็จะทุกเวลาเขาไม่ดียังก็ต้องปล่อยเขาเขาจะดีไม่ดีกับเราก็ปล่อยเขาไปเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้แล้วเราก็กลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธต่อถ้ามันยังไม่ยอมหยุดก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อได้ คำถามจากคุณทางสายเอกค่ะเขาโอกาสเรียนถามครับเวลาฟังทําจากท่านพระอาจารย์ในแต่ละวันช่วงบ่ายสองเราควรจะวางจิตอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะนั่งลืมตาตั้งใจฟังคำสอนหรือนั่งสมาธิหลับตาฟังดูลมบ้างฟังไปด้วยจะดีหรือไม่ครับอ๋อถ้าฟังนี้ฟังอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลม นั่งฟังไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เข้าใจก็ได้ความสงบถ้าเข้าใจก็ได้ปัญญาแต่อย่าไปดูลมอย่าไปพูดโทเพราะมันจะมาขวางกันมากมาต้านกัน <c oughs> มาขัดกันคําถามจากคุณภากรค่ะกลับสอบถามเวลานั่งทำานาปานสติแล้วจิตเริ่มสงบ รับรู้ร่างกายโปร่งเบาสลับกับรู้ลมหายใจเราควรนั่งดูลมหายใจที่เบามากๆต่อไปเรื่อยๆหรือพิจารณาอย่างไรต่อไปครับก็ให้ดูลมไปเรื่อยๆการทำสมาธินี้ไม่ควรพิจารณาอะไรนอกจากการดูลมแม้แต่ถ้าลมรู้สึกว่าหายไปก็ดูว่ามันหายไปอยู่กับความว่างไปคอยดูว่ามันคิดหรือไม่คิด ถ้าคิดก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดนะแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณศินจิราค่ะการที่เรายังชอบฟังเพลงไพเราะแต่ไม่ได้ติดข้องในเนื้อหาของเพลงอาจจะชอบทักท่วงทำนองหรือเสียงร้องที่ชื่นชอบไม่ทราบเป็นค่าศึกตอบกุศลใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเช่นนั้นอาชีพนักร้องนักแสดงขัดต่อการเจริญธรรมหรือไม่เจ้าคะก็ไม่แน่หรอก้วแต่ว่าเราเรู้จักหักข้ามจิตใจหรือไม่ถึงแม้เราจะทำอาชีพนั uh ้นแต่พอเวลาเราปฏิบัติเราก็หักข้ามจิตใจไม่ให้ไปยินดีกับมันมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราห้ามไม่ได้มันก็เป็นปัญหาได้พอถึงเวลาจะนั่งสมาธิใจก็อยากจะฟังเพลงขึ้นมา ไไ่่่งงไไมด้อยาคำถามจากคุณป้องเจ็ดแปดค่ะจะบรรลุพานิพาน์ได้ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวหรือไม่ครับแล้วแต่ถ้าเป็นเทวดาแล้วมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมก็ก็บรรลุได้บรรุพานิพาน์ได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมาแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาก็ ไม่มีใครสอนก็บรรุไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีผ้าหลานแสดงธรรมก็บรรลุได้เพราะการบรรลุมันไม่ได้บรรลุที่ร่างกายบรรลุที่จิตจิตจะบรรลุได้ก็ต้องมีผู้สอนวิธีบรรลุคำถามจากคุณนิยาค่ะระหว่างสวรรค์ชั้นที่สี่กับสวรรค์ชั้นที่หกชั้นไหนดีกว่ากันเจ้าคะอ๋อความสุขมันก็ จากน้อยขึ้นไปหามากชั้นที่หนึ่งก็น้อยกว่าชั้นที่สองเหมือนโรงแรมดาวหนึ่งกับสองดาวมันการบริการมันก็ต่างกันพอไปโรงแรมห้าดาวนี่มันก็สุดๆนั่นก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นที่สี่ก็สู้สวรรค์ชั้นที่หกไม่ได้คําถามจากคุณศักดิ์ดีพาฒน์ค่ะปิตสุขในสมาธิเราจะแก้ไขหรือทําอย่างไรต่อไปครับ ถ้าเราได้สมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาที่ออกจากสมาธิก็ให้หัดพิจารณาร่างกายพิจารณาดูอาการสามสิบสองของร่างกายดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายดูความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายดูธาตุสีที่ที่จ ะ, ะกลายเป็นเวลาร่างกายตายไปก็จะกลายเป็นธาตุสีไป คืจะนหยเห็นว่าไม่มีตัวตนในร่างกายเป็นเพียงอาการสาสิบสองไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูกไม่มีแฟนอยู่ในร่างกายเป็นเพียงร่างกายที่ดวงวิญญาณมาเกาะมาใสใช้ทาหน้าที่ต่างๆพอร่างกายตายไปดวงวิญญาณของแต่ละคนก็แยกทางกันไป ไม่มีใครตายพ่อก็ไม่ตายแม่ก็ไม่ตายลูกก็ไม่ตายตัวที่ตายก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟคำถามชาคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะขอโอกาศครับเราเอาความเจ็บปวดของร่างกายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาพิจารณาเป็นอารมณ์แทนกำหนดรู้พุโทโธได้หรือเปล่าครับได้ถ้าเรารู้จักใช้พิจารณาว่า ความเจ็บนี้เป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปอยากให้มันหายไม่ได้เั้นมันเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอยู่กับมันไปทําใจเฉยๆไปปล่อยวางเวทนาถ้าปล่อยได้ใจก็สงบนิ่งไม่เดือดร้อนกับความเจ็บได้คำถามฝากถามค่ะจิตพระอรหันไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเหรอครับพระอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นนะพาะ ตัวที่ทําให้ทุกข์มันไม่มีคือความโลภความโกรธความหลงความอยากไม่มีที่ใจพวกเราทุกข์กันนี้ก็ทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากนี่พอเราช่วงไหนที่เราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็เป็นผ้าหลานชั่วข่าวแต่พอเกิดความโลภขึ้นมาผ้าหลานก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาเอเเนี่ยราก็เป็นผ้าหลานเหมือนกันแต่อหลานเป็นครั้งเป็นคราว ไม่ได้เป็นอ า, หารหันแบบตลอดเวลาแต่ถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ตลอดเวลาใจของเราก็จะเป็นอ า, หารหันได้ตลอดเวลาคำถามจากคุณเบียค่ะขอสอบถามพระอาจารย์เช้าค่ะถ้าเราเอาสุนัขแมวไปทำหมันจะบาปไหมเพราะมันเยอะมากมาก เพื่อที่จะควบคุมไม่ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่บาปหรอกการทำมันนี้ก็เป็นเพียงแต่ห้ามไม่ให้มีการตั้งขันนั้นเองไม่ได้ไปทำร้ายเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาคำถามจากทางยู u b e ค่ะขอถามว่าจิตรวมเป็นอย่างไรเจ้าคะก็ต้องรวมถึงอยารู้ <laughs> ก็ต้องพุทโธพุทโธไปนั่งพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือนั่งดูลมเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้สิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเห็นเรื่องราวแล้วบางอย่างนี้เล่าเล่าไม่ได้เราไม่ตรงกับความเป็นจริงซู่รู้ดีกว่ารู้เองดีกว่าสอนวิธีทำให้รู้ดีกว่าก็คือพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปพอรู้แล้วก็ไม่ต้องมาถาม นั่นก็ถามอยู่เรื่อยๆถามแล้วเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็มาถามใหม่แต่พอรู้แล้วทีนี้ไม่ต้องถามใครนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้เมื่อรู้แล้วก็หายสงสัยจะไม่ต้องถามใครต่อไปแม้แต่นิพพานก็ไม่ถามเพราะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างหน้าแล้ว ถ, ถึงนิพพานแล้วก็ไม่ไปถามพระพุทธเจ้าว่านิพพานเป็นยังไงพอรู้ว่ามัน ได้คําตอบแล้วพระพุทธเจ้าตอบก็ก็เป็นคําตอบที่เรารู้อยู่แล้วเลยไม่ลงเลยไม่ต้องไปถามใครให้เสียเวลาอย่งนขอให้ปฏิบัติเท่านะั้นถ้าอยากจะรู้ทำต้องปฏิบัติทำรู้เพียงแต่วิธีปฏิบัติเท่านะั้นถามได้วิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรแต่เรื่องของผลนี้อย่าไปถามถามมันถามยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะถามแล้วเราก็ไม่ได้ผลจากการได้ยินได้ฟัง ผลนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นคำถามจากคุณนัฐกิจคะ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับควรหรือไม่ครับไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดภาวนาเป็นเวลาเจดวันอีกครั้งในรอบสองปีเพื่อนำกลับมาปฏิบัติต่อเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าปฏิบัติเองมันไม่ค่อยอยู่ครับหรือควรจะแก้ไขตัวเจ้าของอย่างไรดีครับ ข อ, อไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมีเวลาไปฝึกไปปฏิบัติธรรมได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีคำถามจากคุณนิยาค่ะปฏิบัติธรรมแบบไม่หลงธรรมทำบุญแบบไม่หลงบุญเป็นอย่างไรเจ้าคะก็ต้องรู้เหตุผลของการปฏิบัติของการทำบุญว่าเราทำเพื่ออะไร ต้องศึกษาก่อนทําบุญเพื่อให้เรามีความสุขใจอิ่มใจไม่ได้ทำบุญเพื่อเอาหน้าให้คนเขายกย่องสรรเสริญทําบุญเพื่อเอารางวัลอะไรทํำนองนี้เอาหน้าเอาตาประกาศ ช, ชื่อติดชื่ออยู่ที่หน้าบะหน้าประตูหน้าต่างหน้ากุฏิหน้าแท้งน้ําอะไรพวกนี้ทําบุญแบบหลงบุญทําบุญต้องแบบปิดทองหนังพระไม่ต้องไม่ต้องการให้ใคร ไม่ต้องการเอาหน้าเอาตาแต่ถ้าเขาขอก็บอกเข้าไปหรือถ้าไม่ต้องการก็บอกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ทําบุญเราไม่ต้องการอะไรจากใครเราต้องการความสุขที่ได้จากการทําบุญแล้วก็ได้ไปสวรรค์เวลาที่เราตายไปแล้วเวลากลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดดีกว่าเก่ารวยกว่าเก่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษา ปฏิบัติธรรมก็เพื่อระงับความอยากหยุดหยุดหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเหาเหินเดินอากาศอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นการหลงธรรมเลปฏิบัติเพื่อละความอยากเพื่อตัดพพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดต้องศึกษาเราถึงจะรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรไม่เช่นนั้นเราก็จะปฏิบัติแล้วก็หลงหลงได้ หมดแล้วไหมยังมีอยู่ต่อไปตามคำถามจากคุณหวานค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้านนั่งสมาธิแล้วจิต มันรู้สึกลอยๆอยอยู่ที่หัวใสสว่างไปที่บนศีรษะหมายถึงอะไรแล้วควรทำอย่างไรดีเจ้าค ะ, ะไม่ต้องสนใจเราควรจะอยู่กับคำบริกรรมถ้าเราใช้คำบริกรรมถ้าดูลมก็ต้องอยู่กับลมอย่านั่งเฉยเฉยอย่าไปดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิเพราะเราจะหลงทางเราไม่อยู่ในทางแล้วถ้าเราไม่พุโทโธเราไม่ดูลมนี้แสดงว่าเราออกนอกรูนอกทางไปแล้ว แ้เดี๋ยวเราก็จะเสียสติได้พอไปหลงบ้าไปกับสิ่งที่เราเห็นเราไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาคิดว่าเราเป็นเทวดาเป็นเท้ามาหาพรหมอะไรขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งของเราเองนั่นแหละคำถามจากคุณยาค่ะ พระเครื่องมีพุทธคุณในการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือให้มีลาบล่ำรวยจริงหรือไม่ครับทำไมพระสงฆ์หลายท่านถึงนิยมทำวัตถุมงคลครับก็ท่านเชื่ออย่างนั้นเนี่ยความจริงสิ่งที่คุ้มครองเราก็คือกฎแห่งกรรมนะฮะถ้าเราทำดีแล้วก็ได้ดีเราทำาชั่วก็ได้ชั่อ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ผลิตพระเครื่องมาแจกมาจ่ายให้ผลิตธรรมะมาแจกญาติโยมให้สอนให้เชื่อกฎแห่งกรรมให้เชื่อการทำบุญเชื่อการละา บ, บาปเชื่อการกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจนี่เป็นวิธีที่จะนำความสุขความเจริญมาให้กับชีวิตจิตใจคาถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะขอโอกาสครับ การกำหนดวางสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ควรรู้อย่างไรครับวางอย่างไรครับพิจารณาอย่างไรครับอ๋อในเบื้องต้นก็ให้ใช้สติก่อนก่อนที่เราจะไปพิิพินจารณาสัญญาสังขารวิญญาณได้เราต้องทำจิตให้สงบก่อนต้องมีสติญญที่มีกำลังพอที่จะตามรู้สัญญาสังขารได้ ถ้าเรายังทำให้ใจให้สงบให้นิ่งไม่ได้เราจะตามสัญญาสังขารไม่ทันนะเั้นเบื้องต้นต้องฝึกสมาธิก่อนต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธฝึกจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้วพอจิตเริ่มปรุงแต่งก็จะรู้ทันทีสัญญาสังขารเริ่มทำงานปั๊บก็จะเห็นทันทีแต่ถ้าสัญญาสังขารตอนนี้กำลังทำอยู่นี่เราไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะไปตามรู้ตามเห็นมันได้ คำถามจากคุณวิชัยคะ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ปัจจุบันผมจะสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าและก่อนนอนนั่งสมาธิตอนฟังเทศพระอาจารย์ถ้าการปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นตั้งใจว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากขึ้นปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็ถูกทำไปเรื่อยๆ เ, เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไป สวดมนต์ไปการกระทําเหล่านี้ถือว่าอยู่ในมรรคปฏิบัติสลับกันได้ผัดกันทําอย่างนี้บ้างทําอย่างนั้นบ้างได้ขอการเรียนถามพระอาจารย์ครับการประเคนอาหารสามารถถือประเคนได้สองคนหรือไม่ครับพระที่รับเป็นอาบัติหรือไม่ครับสาธุครับไม่ไม่ไมหรอกท้งของหนักยกคนเดียวไม่ไหวก็สองคนสามคนก็ได้ การประเคนนี้เพื่อที่จะแสดงเจตนาว่ายกของนี้ให้พระเพื่อจะได้มาไม่มาตูท่ทีหลังว่าพระขโมยของไปถ้าไม่ประเคนเดี๋ยวพระไปหยิบเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของอาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจถวายท่านท่านหน่อยนี่ฉะนั้นพระเลยต้องให้ประเคนเพื่อจะได้แสดงความมั่นใจว่าของเขาให้เราจริงๆฉะนั้นจะให้กี่คนมาช่วยกันยกก็ได้คนเดียวก็ได้ ของหนักๆบางทีไม่ต้องถวายก็นักโตอย่างงี้บางทียกไม่ไหวก็พูดเฉยๆก็แล้วกันบอกว่าขอถวายของนี้กับท่านให้รู้ให้รับรู้กันว่าเออเป็นของที่เขาให้แล้วจะได้ไม่ถูกข้อกล่าวหาในภายหลังว่าถูกเอาไปขโมยของเขามาเพราะข้อนี้หนักข้อหาหนักขโมยของนี่ถูกจับศึกได้นะปราราชิกลักทรัพย์ต้องระวัง เวลาที่จะใช้ของของใครนี้ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาถวายเราแล้ ว, ลวถ้าไปถือวิสาสะว่าคิดว่าเขาถวายเดี๋ยวเขาบอกฉันไม่ได้ตั้งใจถวายท่านนะหน่อยจะถวายอีกรูปนึงอย่างนี้เดี๋ยวก็ถูกข้อหาประราชิกได้ตอนนี้ไม่มีเราจะพาหมดปัญหาก็หมดเวลาพอดี <laughs>